สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยห้าสิบสามเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ห้าสิบแปดพี่น้องครับวันนี้เราก้าวมาค้งสุดท้ายของพระธรรมฮีบรูแล้วนะครับเพราะว่าพระธรรมฮีบรูนั้นมีทั้งหมดสิบสามบทและวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของบทที่สิบสามนะครับผมจารย์ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่หกโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า จงให้ความรักฐานพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกจำจองอยู่เหมือนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายก็ถูกจำจองอยู่กับเขาด้วยจงระลึกถึงคนทั้งหลายที่ถูกเขียวเข็นเพราะว่าท่านทั้งหลายก็มีร่างกายเหมือนอย่างเขาจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง และเตียงสมรสปราศจากความชั่วช้าเพราะคนมีชู้และคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขาท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเพราะเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจจะกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่าองค์พระบุญเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทําอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เราเพียงครับในเช้าวันนี้เราเจอคําสั่งเยอะแยะมากมายนะครับคําสั่งนะครับเยอะแยะมากมายที่เริ่มต้นด้วยคําว่าจงแท้จริงแล้วบทสุดท้ายของพระธรรมฮีบรูนี้เป็นคําสั่งเยอะแยะมากมายที่เราทั้งหลายควรกระทําครับและมีการขยายความคําสั่งเหล่านี้ด้วยแต่โดยโครงสร้างพื้นฐานของบทที่สิบสามนี้ คำบัญชาต่างๆสํ า, าสหรับคริสเตียนในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นคําสั่งโดยตรงของพวกเราทั้งหลายในขณะที่พระธรรมฮีบรูตลอดท่านเล่มได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูและที่มาของพระเยซูเกิดจากความเชื่อของแบรรดาชนทั้งหลายแต่ในขณะนี้พระธรรมฮีบรูกําลังนําเข้าสู่บทของการประยุกต์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามีคําสั่งมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับ ผู้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้หรือผู้เขียนฮีบรูได้ทิ้งท้ายความเห็นพร้อมกับเตือนสติเพิ่มเติมให้เกิดความเพียรพยายามและส่วนสุดท้ายของบทนี้นะครับภาพรวมของบทนี้ก็คือเป็นภาพเปรียบเทียบว่าให้เราทั้งหลายวิ่งแข่งจนจบครับให้เราวิ่งแข่งจนจบอย่าเลิกและท่านเตือนความจําของพวกเราว่าเช่นชัยของเรานะครับไม่ได้อยู่ที่ภูเขาซีนาย แต่เป็นภูเขาซีโยนซึ่งเป็นภูเขาแห่งความการุณาเป็นภูเขาแห่งพระคุณโดยมีพระเยซูคริส ต, ต์ทรงรออยู่ที่เส้นชัยครับด้วยเหตุนี้พวกเราจึงได้รับคำเตือนให้ระวังที่จะไม่เพิกเฉยและให้ระลึกถึงอยู่เสมอในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ประการแรกครับจงให้ความรักสันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปคาที่แปลว่าความรักสันพี่น้องก็คือฟีลาเดลเฟียซึ่งสื่อ ถึงสายใหญ่ระหว่างพี่น้องด้วยกันครับฟิลานะครับแปลว่า love ผลเปนความรักนะครับเดลเฟียมาจากคาว่าอาเดฟอสก็คือพี่น้องฟิ ila, ier, ลาเดลเฟียรวมกันก็คือความรักแทนพี่น้องในที่นี้ก็คือพี่น้องคริสเตียนนั่นเองข้อสองครับจงหย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าจงอีกแล้วนะครับเป็นคำสั่งเพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว อยละเลยคําสั่งนะครับที่ต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราว่าแขกแปลกหน้านั้นก็คือจะต้องมีอัจาริย์ต้อนรับนักเดินทางครับวลีที่พูดถึงเรื่องการต้อนรับทุกทวสวรรค์โดยไม่รู้ตัวย่อมหมายถึงทูดสวรรค์ที่ปรากฏตัวในฐานะนักเดินทางแก่อับราฮัมครับพี่นะครับในปฐมกาลบทที่สิบแปดข้อที่สองนะครับและในปฐมกาลบทที่สิบเก้าข้อที่หนึ่งเราจะเห็นอับราฮัมครับและโลดต้อนรับผู้เดินทาง ต้อนรับแขกแปลกหน้านะครับสิ่งที่สุขถูกสื่อชัดเจนในที่นี้ก็คือบางครั้งพวกทุกสวัค์นะครับได้รับอนุ ญ, ญาตให้รับรูปกายมนุษย์และพระเจ้าอาจทรงอนุ ญ, ญาตให้พวกเขาปะปนอยู่กับพวกเราด้วยอย่างไรก็ตามเขาบริบทของพระธรรมการบทที่สิแปดและสิบเก้ากล่าวชัดเจนว่าการมาเยือนดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อภารกิจที่พระเจ้ากำหนดไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นหากมีภารกิจที่พระเจ้ากาหนดไว้ชัดเจนนะครับ ทุสวรรค์ก็อาจปรากฏตัวในรูปกายของมนุษย์และพระเจ้า อ, อนุ ญ, ญาตให้เขาปะปนกับพวกเราได้ด้วยพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับบางครั้งมีคาพยานของบางท่านบอกว่าเนี่ยทุสวรรค์มาช่วยเขานะครับหากเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็นี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่กํำลังยืนยันจากพระกัมภีร์นะครับว่าหลายครั้งทีเดียวหรือบางครั้งนะครับบางครั้งนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยหรือเป็นไปนไม่ได้นะครับบางครั้งหรือหลายครั้งทีเดียวพวกทุสวรรค์ ก็ได้รับอนุญาตให้รับรูปกายมนุษย์และพระเจ้าอาจทรงอนุญาตให้เขาปะปนกับพวกเราเพื่อช่วยเหลือพวกเราพี่น้องครับในข้อที่สามครับจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกจำจองอยู่เสมือนว่าท่านทั้งหลายก็ถูกจำจองร่วมกันกับเขาจงระลึกถึงคนทั้งหลายที่ถูกเขี่ยวเข็เหมือนหนึ่งว่าเป็นตัวท่านเองซึ่งมีร่างกายเหมือนกับเขาด้วยพี่น้องครับคําว่าจงระลึกถึงจงระลึกถึงจงระลึกมีอยู่หลายตอนด้วยกันนะครับพี่น้องครับเราถูกบัญชาให้ระลึกถึง หรืออธิษฐานเผื่อนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนในพระคัมีใหม่คนเหล่านั้นที่ถูกจําจองอยู่ไม่ใช่หมายถึงนักโทษนะครับไม่ใช่พวกอาชญากรแต่คนเหล่านั้นที่ถูกจําจองเพราะความเชื่อของเขานนั่เองเป็นคนที่รับการข่มเหงเพราะความเชื่อคําพยานของพวกเขาพี่น้องครับเวลาที่จดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นก็เป็นเวลาที่สอดคล้องกับเปาโลถูกกักบริเวณหลายครั้งนะครับจนกระทั่งถึงไปถูกกักจับขังคุกที่กรุงโรม พี่น้องคนอื่นๆก็ถูกจำจองร่วมกันกับเขาด้วยนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนฮีบรูบอกว่าจงระลึกถึงจงระลึกถึงหมายถึงอะไรครับหมายถึงจงอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เท่านั้นครับท่านยังกำชับให้เราระลึกถึงคนทั้งหลายที่ถูกเคี่ยวเข็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นตัวท่านเองถูกเคี่ยวเข็นซึ่งมีร่างกายเหมือนกับพวกเขานั่นหมายความว่าเขาเจ็บแล้วก็ควรจะต้องเจ็บปวดด้วยเช่นเดียวกันตัวเราเองนั้นอยู่ในกายของเราเขาก็อยู่ในกายของเขานะครับ พี่น้องคริสเตียนหลายหลายท่านที่ถูกข่มเหงไม่ว่าจะถูกเคี่ยวเขนด้วยอะไรก็ดีนะครับเราถูกกําชับให้ระลึกถึงพี่น้องของเราหมายความว่าเราจะต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราที่กําลังเผชิญทุกข์ยากลําบากอยู่แล้วเรื่องอธิษฐานเผื่อผู้ที่รับการต่อต้านหรือความลํำบากในในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือการถูกข่มเหงเราผู้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรนั้นถูกสั่งให้ช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนครับ และสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราควรจะต้องช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนของเราที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยเช่นเดียวกันครับหากเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับด้วยข้าวของที่จําเป็นต่างๆนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งและควรกระทําข้อสี่ครับจงระลึกว่านะครับการสมรสจะต้องเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและที่นอนก็ปราศจากมนตินหรือซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับ คำว่าการให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและที่นอนก็ปราศจากความชั่วร้ายหรือปราศจากมนทินอันนี้เล็งถึงสถาบันที่พระเจ้าได้ตั้งขึ้นให้กับมนุษย์ก็คือครอบครัวครับชีวิตคู่นั้นเป็นสถาบันที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์และบริบทใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในชีวิตสมรสอย่างเห็นได้ชัดนะครับสําหรับผู้ที่สมรสแล้วนะก็คือคําว่าที่นอนคําว่าที่นอนครับ ที่นอนภาษ า, ากรีกคือคออีเ e ทนะครับคออีุส e หรือคออีเ e ทเป็นคำเทคนิคที่แปลว่าการมีเพศสัมพันธ์ครับเพราะฉะนั้นผู้เขียนกำลังบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในชีวิตสมรสนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่ารับถือและปลาชักบนทินแต่ในตรงกันข้ามการมีกิจกรรมทางเพศนะครับภายนอกชีวิตคู่นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ น่าชังและเป็นความบาปดังนั้นเองการมีกิจกรรมทางเพศภายในชีวิตคู่นั้นไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตเท่านั้นแต่ยังเป็นที่น่านับถือและบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่พระธรรมฮีบรูได้กล่าวไว้นะครับคนที่ล่วงประเวณีปกติแล้วนะครับเป็นการสื่อถึงการล่วงประเวณีที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์นอกการสมรสหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนะกิจกรรมทางเพศต่างๆเหล่านี้ครับที่ผิดทำนองครองธรรม หรือแม้กระทั่งรวมไปถึงการรักร่วมเพศหรือการวิปริตทางเพศในรูปแบบต่างๆนะครับนี่คือผิดเรื่องการล่วงประเวณีทั้งสิน้นคาที่แปลว่าคนล่วงคนเล่นชู้นะครับหมายถึงการที่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสต่างๆเหล่านี้แหละครับพี่น้องครับพระเจ้าจะพิพากษาความบาปในเรื่องเพศมันจะเป็นการพิพากษาทางอ้อมผ่านทางการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ หรือโลกจิจต่อทั้งเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นการพิพากษาโดยตรงพี่น้องครับนี่คือการตีสอนของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้คนของพระองค์มีมนทินในเรื่องนี้ข้อห้าครับท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไปแล้วว่าเราจะไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งท่านเลยพี่น้องครับการเงินชีวิตตรงนี้นะครับเราจะต้องระลึก ว่าหรือต้องอธิษฐานเผื่อเสมอว่าเราจะต้องพ้นจากการรักเงินรักทองลักษณะการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเป็นลักษณะการใช้ชีวิตที่พระเจ้าปรารถนานะครับพี่น้องครับคํากรีกนะครับที่มีความหมายถึงเงินนะครับก็คืออากุรอสนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกอารกุรอสนี่ครับเราจะแปลว่าต้องไม่รักเงินนะครับ เราได้รับบัญชาที่จะอากูรสก็คือไม่รักเงินนะครับเมื่อเราบัญชารับรับบัญชาที่จะต้องไม่อากุรัสนั้นอย่าลืมครับพี่น้องเราจงอธิษฐานเผื่อตัวเองที่จะไม่รักเงินนี่คือสิ่งที่ที่พุทธมีได้สอนเราในเช้าวันนี้พี่น้องครับผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับในข้อที่หกและข้อที่เจ็ดในข้อที่ห้าหกเจ็ดครั บ, นะรบตอนปลายของข้าที่หน้า ของข้อที่ห้าหกเจ็ดเพิ่มนพี่บอกว่าเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจจะกล่าวด้วยใจเชื่อมันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวและมนุษย์จะทําอะไรกับข้าพเจ้าได้เราพี่นะครับนี่คือสิ่งที่เ พ, พิ่อนพีได้ยกขึ้นมานะครับจากสุดติบทที่หนึ่งร้อยสิบแปดข้อที่หกและอ้างคําสัตย์ของพระเจ้านะครับว่า พระเจ้าจะไม่ละทิ้งท่านพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราครับอาเมีมนหมครับพี่น้องเราจะไม่ละทิ้งท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยองค์พระเเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทาอะไรเกตข้าพเจ้าได้แล้นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับให้เราพอใจในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทายกับเราแล้วโดยที่เราไม่รักเงินรักทอง ขอให้เราระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะดูแลที่พระองค์จะดูแลคนของพระองค์พี่น้องครับให้เราอาธิษฐานเผื่อสิ่งต่างเหล่านี้ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นหากพี่น้องจดจำไม่ได้นะครับก็ดูในบทสรุปที่ได้ส่งให้ไปแล้วอาเมน